นี่ถือว่าความว่างหรือจิตที่ว่างไม่ยึดถืออะไรว่าเป็นเราเป็นของของเรานั้นเป็นพื้นฐานส่วนจิตวุ่นนั้นมาเป็นพักๆแต่สำหรับบางคนนั้นอาจจะมาหลายนาทีหลายชั่วโมงก็ได้ในวันหนึ่งวันหนึ่งเราจึงควรขอบใจมันขอบใจจิตที่ว่างความว่างจะช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตเราไว้ได้เราจึงอยู่กันได้ไม่ตาย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 ambition ด้วยจิตวุ่นนี้จะสายจะสั่นจะประมาจะอะไรไปหมดและจะทำไม่ได้ดี ambition ด้วยจิตว่างนี้จะวิเศษเหมือนปาฏิหารเพราะว่า ambition ด้วยจิตวุ่นนั้นคือกิเลสตัณหาอะไรต่างๆนาน า, นาเข้ามารวมอยู่ด้วยมันจึงเป็นจิตวุ่นและทีนี้แม้จะมี ambition อย่างสูงมุ่งมันอย่างไรเท่าไหร่ มันก็มีแต่สายแต่สันเท่านั้นเราเอาตัวกูของกูออกไปเอากิเลตันหาออกไปเหลือแต่สติปัญญาเป็นจิตว่างจากตัวกูของกูลแล้วแอมบิชชั น, นั้นจะใสแจอวกระจ่างมีกําลังมากแอคทีฟยางยิ่งมันจึงทําอะไรได้ดีขอให้เข้าใจคำว่าสมาธิที่จะเอามาใช้ในการศึกษา หรือในการสอบไล่หรือในการคิดอะไรต่างๆนี้ต้องเป็นอมพิชั่นของจิตว่างไม่ใช่ของจิตวุน่นขอยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งว่าเช่นจะยิงปืนพวกทหารจะยิงปืนนี้เขาต้อ ง, งยงิงด้วยจิตว่างไม่ใช่ยิงด้วยจิตวุ่นทีแรกอาจจะต้องมีเจตนาว่าจะต้องยิงเพื่ออย่างนั้นอย่างนี้ก็ตาม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 ในประเทศญี่ปุ่นเขาสอนเรื่องทำจิตว่างแล้วก็ยิงสอนประกวดกันอย่างนี้เขาสอนกันมาตั้งเจดถึงแปีนักยิงที่มีจิตว่างเหล่านั้นยิงสอนถูกเป้าขนาดเส้นขนเส้นผมได้เหมือนกับปาฏิหารเพราะฝึกสมาธิตามแบบนิกายเซนเพื่อทำจิตว่างนักยิงสอนเหล่านั้นจึงยิงปืนแม่นอย่างปาฏิหาร